บทที่21บทพิสูจน์สุดท้ายหลังจากจอร์ดวิลมอดพ่อค้าของเก่าได้เข้ามาอยู่กับครอบครัวชาวฝรั่งเศสได้ไม่นานนักคนนำทางของเขาแวะมาเยี่ยมดูว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างจอร์ดสารภาพาว่าเขาคิดถึงอดีตภรรยาของตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกคนนำทางบอกเขาว่าหนึ่งในนั้นกำลังจะตาย มันอาจช่วยเธอได้ถ้าเขาไปหาเธอจอร์จเดินทางไปหาภรรยาของเขาด้วยความรู้สึกอิหลักอิเหลือเขากำลังจะไปดูเธอสิ้นใจเขาเดินทางไปบนถนนเส้นหนึ่งมันเป็นสถานที่ที่แปลกมากในความคิดของเขาบ้านทุกหลังเหมือนกันหมดเขาได้ไปอยู่ในห้องหนึ่งเป็นบ้านวิคตอเรียนแบบเก่าและภรรยาคนเก่าของเขานอนอยู่บนเตียงเหล็ก สภาพเธอดูไม่ได้เลยคิดได้เท่านี้วิลมอธก็รู้สึกไม่สบายใจเขาไม่ควรที่จะคิดถึงเธอแบบนั้นแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าเธอโซมมากไมเคิลคนนำทางของเขาเอ่ยขึ้นมาว่าคุณรู้ว่าเธอกำลังจะตายใช่ไหมก็คุณบอกผมเองจอร์ดวิลมอธตอบผมไม่คิดว่าเธอจะจำคุณได้เขาบอกและผมไม่คิดว่าเธอจะเห็นคุณแน่นอน ค่อนข้างยากที่พวกเขาจะเห็นเราแต่คุณลงไปยืนตรงปลายเตียงตั้งสมาธิคิดถึงเธอสิทำไมผมต้องทำอย่างนั้นด้วยละ่ะผมไม่คิดจะทำอย่างนั้นสักหน่อยฟังนะเขาว่าคุณจะต้องเรียนรู้แม้คุณจะเข้ากับเธอไม่ได้และคุณอาจไม่ได้รักเธอในบางสถานการณ์คุณมีหน้าที่ที่จะแสดงและลงมือช่วยเธอวิลหมดไปยืนตามที่ไมเคิลบอกทันใดนั้น เขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอหน้าของเธอมีสีสันขึ้นแก้มเธอแดงดวงตาเปล่งประกายท่าทีเธอเปลี่ยนไปเขาได้ยินเสียงเธอเรียกชื่อเขาเขารู้สึกขำที่ตัวเองต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นเธอยื่นสองมือออกมาแล้วจอร์จก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกลําดับรอบตัวเธอมีแสงสว่างและเขาเห็นว่า มีคนอื่นๆกำลังเข้ามาในห้องมายืนล้อมรอบเขาจำได้ว่าสองคนในนั้นเป็นพ่อแม่ของเธอร่างของเธอลอยขึ้นลอยขึ้นมาเหนืออีกร่างลอยขึ้นมาตรงๆไมเคิลเอ่ยว่าเธอกำลังออกจากร่างเก่าเธอจะสบายดีพวกเขาจะพาเธอไปนั่นคือพ่อกับแม่ของเธอและคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนก็มาช่วย ผมต้องการให้คุณมาเพียงเท่านี้เพราะการมาของคุณเป็นการช่วยเหลือเธอทางหนึ่งซึ่งคุณอาจไม่รู้หรอกว่ามันมีผลมากเพียงใดน่าแปลกนะที่เธออยู่ที่นี่ตามลาพังวิลหมดกล่าวชายคนนำทางตอบเธออยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วและไม่มีใครสนใจเธอเท่าไหร่นะคนอื่นๆในบ้านแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอล้มเจ็บอีกสักพักพวกเขาจะพบว่าเธอตายไปแล้ว ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกการช่วยให้เธอได้พ้นจากช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี่สิสำคัญกว่าทุกรายงานของเสียงต่างๆเราอาจพิจารณาได้ว่านี่คือการพนณานาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพวกเขาพ้นความตายแต่ละเหตุการณ์จะมีความแตกต่างกันมันหมายถึงการเห็นจากโลกวิญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้น และในช่วงเวลานั้นๆบทบรรยายของวิลมอธมีแก่นสำคัญของประการคือ 1. ในช่วงเวลาแห่งการตายภรรยาของเขาจําได้ว่าเขามาปรากฏกายอยู่ในห้องและเธอได้รับความช่วยเหลือพ่อแม่และเพื่อนของเธอก็มาพบเธอ 2. หลังการตายร่างทางจิตหรือวิญญาณของเธอละออกจากร่างทางกายภาพและลอยขึ้นมาเหนือร่างเดิม เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแก่นสำคัญทั้งสองนี้จากความเห็นเรื่องความตายโดยคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้หรือไม่บทความต่างๆของผู้เขียนเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายนำมาซึ่งจดหมายหลายฉบับหนึ่งในนั้นมาจากพยาบาลที่ปลดกเกษียณแล้ววิเวียนเคนดี้แฮงเวลในซัมเมอร์เซตตอนที่ฉันป่วยมากและไม่คิดว่าตัวเองจะรอด ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังลอยไปจากเตียงไปหาแม่ฉันที่อยู่ตรงปลายเตียงท่านมีรอยยิ้มที่สดใสมือทั้งสองของท่านยื่นออกมาคล้ายกับท่านกำลังรอฉันอยู่ท่านไม่พูดอะไรแล้วก็มีเงาดำร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมากั้นกลางระหว่างเราฉันรับรู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาและดูเหมือนฉันก็ลอยกลับมาที่เตียงนางมาชรี่กลิ้นแห่งเนล่าไนโรธ ที่เฮาส่งเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของมันดาเธอมาให้แม่ของดิฉันไม่รู้ตัวอยู่ครู่หนึ่งจูๆ่ๆท่านก็ลุกขึ้นนั่งตรงยื่นแขนทั้งสองออกมาแล้วพูดว่าแม่ไม่สวยเหรอลูกพยายามดึงร่างของท่านนอนลงท่านก็พยายามยื่นแขนออกไปร้องว่าปล่อยแม่ไปเถิดนี่คือท้ยคาสุดท้ายที่แม่พูด ฉันเข้าใจว่าคุณยายคงมาอยู่ตรงนั้นเพื่อนำทางและคงจะช่วยเหลือท่านในบางกรณีมีข้ออ้างว่าผู้ช่วยซึ่งเป็นวิญญาณจากอีกโลกมาปรากฏตัวให้เห็นเป็นภาพเลือนลางได้ทางศิษย์นางเดวิลวูดขอบแห่งลิงมิธแฮมเชียกล่าวว่าแม่ของฉันล้มเจ็บเรามีนางพยาบาลคนหนึ่งไว้คอยเฝ้าไข่เช้าวันรุ่งขึ้นนางพยาบาลบอกว่า เธอเห็นร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงปลายเตียงของแม่ตอนตีสามเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นร่างของเด็กคนนั้นตอบว่าฉันมาหาแม่ของฉันเท่านั้นแล้วก็หายตัวไปเช้าวันต่อมาแม่ของฉันเสียชีวิตตอนตีสามต่อมานางพยาบาลเห็นรูปน้องสาวของฉันที่เสียชีวิตไปนานแล้วเธอบอกว่านั่นไงเด็กผู้หญิงที่ฉันเห็นตรงปลายเตียง เรื่องที่แปลกกว่ามาจากนางเคแม็คลาสลินแห่งนอตโบโลโรธนอร์เบอรีในย่านตะวันออกเฉียงใต้ทางลอนดอนคุณแม่ดิฉันเสียชีวิตตอนมีการทิ้งระเบิดเมื่อปี1944เพราะในปี1948คุณพ่อดิฉันเป็นมะเร็งปอดและฉันอยู่ดูแลท่านจนท่านเสียชีวิตในปี1950ในบ่ายที่ท่านเสียชีวิตดิฉันกำลังคุยกับท่าน ท่านหันหน้ามายิ้มและบอกว่าพ่อจะอยู่อีกไม่นานหรอกเช้าวันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็จากไปลูกชายวัยสามขวบของดิฉันซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแม่ของดิฉันเสียชีวิตตอนนั้นเขานั่งรออยู่ด้านล่างเขาคาดว่าจะได้เห็นคุณตาของเขาเขาเอ่ยขึ้นมาว่าแม่ครับผมไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นเลยเธอไปหาคุณตาแต่ไม่ยอมให้ผมไป ไม่มีใครอื่นขึ้นไปชั้นบนเขาแค่ได้เห็นร่างวิญ ญ, ญาณของคุณแม่ดิฉันซึ่งตายไปแล้วด็อเตอร์โรเบิร์ตทุกคอลอดีตอาจารย์ใหญ่ภาวิชาธรณีวิทยาของเฮอร์มานเดสซี่จ o โอโลจิคัลเซเขาทุ่มเทชีวิตหลังกเกษียณให้กับการตรวจสอบหลักฐานของชีวิตหลังความตายจนได้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีการกรณี เดียเด่ยวๆใดในบันทึกของคนที่กําลังจะตายอ้างว่าได้เห็นเพื่อนที่มีชีวิตซึ่งเขาเข้าใจผิดคิดว่าตายไปแล้วในอีกกรณีมีการบันทึกมากมายถึงคนที่กําลังตายได้เห็นเพื่อนๆที่พวกเขาคิดว่าคนเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ความจริงแล้วคนเหล่านั้นตายไปหมดแล้วเราจะหาข้อพิสูจน์มาสนับสนุนแก่นสําคัญของวิลมอร์ที่ว่า ในช่วงเวลาแห่งความตายร่างทางจิตจะละออกจากร่างกายโดยลอยขึ้นเหนือร่างเดิมแล้วล่องลอยไปสู่โลกหน้าได้หรือไม่เคยมีใครในโลกนี้ได้เห็นเหตุการณ์นั้นบ้างหรือเปล่าจากบรรดากรณีของประวัติศาสตร์ซึ่งรวบรวมโดยทุกออลมีเรื่องของหมอชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่ออา h o บีเาแห่งอินเดียนาดูเหมือนเขาจะรับภาพเหตุการณ์ของจิตวิญญาณนี้ได้ ตอนที่ป้าของเขาเสียชีวิตบนเตียงเขาอ้างว่าเห็นร่างวิญญาณหนีรอยห่างออกไปอยู่ในระดับเส้นขอบฟ้าเหนือร่างทางกายภาพไม่กี่ฟุตร่างนั้นดูสงบในอาการที่ปกติแต่ร่างกายทางกายภาพมีการเคลื่อนไหวเหมือนปฏิกิริยาตอบรับดังนั้นดิ้นรนพุกขักไปมาโดยจิตใต้สำนึกที่เจ็บปวดผมเห็นได้ชัดเจน ใบหน้าของร่างจิตคล้ายกับใบหน้าทางกายอย่างมากยกเว้นว่าหน้าใหม่นั้นมีความสุขเป่งปล่งและมีความกระปี้กระเป๋าใช้แววออกมาแทนที่สภาพวัยและความเจ็บปวดลุงของผมผมหมายถึงสามีของป้าที่ตายไปแล้วเขาก็กลับมายืนอยู่ข้างเตียงพร้อมลูกชายของท่านที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วเช่นเดียวกันทำใหการนี้ฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่ทันทีที่ได้รับการตีพิมพ์จดหมายหลายฉบับเริ่มมาถึงจากผู้คนที่เคยใกล้ชิดกับเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความตายหรือบางก็เคยอยู่ในสภาพของคนใกล้ตัวเช่นหัวใจหยุดเต้นและฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งพวกเขากล่าวว่ากระบวนการทางธรรมชาติของการแปรย้ายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและก็เหมือนการถอยหลังกลับ นางซีเอ็มเลนกริดแห่งพูตดอเซตเขียนจดหมายมามีใจความว่าฉันได้ประสบกระบวนการถอยหลังสามวันต่อมาสามีของฉันมาเยี่ยมทันใดนั้นฉันก็ไม่รับรู้เรื่องทางวัตถุวิสัยฉันออกมานอกร่างตัวเองลอยไปในอากาศฉันกำลังก้มดูร่างของตัวเองขณะที่คนอีกสามสี่คนเข้ามาช่วยแก้ไขให้ฉันฟื้นขึ้นพอฉันกลับเข้าสู่ร่าง ฉันถามสามีของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นและมีใครอยู่ในห้องบ้างเขาตอบว่าฉันหมดสติไปเขาเลยเรียกน้องสาวแล้วพาหมอมาดูช่วงนั้นพวกเขาคิดว่าฉันน่าจะตายไปแล้วนางเอมเวียตแห่งเลดคายอร์คเชียร er ์เขียนมาว่าฉันป่วยหนักรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเลื่อนลอยฉันไม่รู้ตัวไม่มีสติ จู่ๆก็เหมือนตื่นขึ้นโดยไร้ความเจ็บปวดใดๆแต่ฉันรู้ว่านี่คงจะเป็นความตายฉันกำลังจะตายฉันกำลังตัวลอยเหมือนกับเห็นอีกร่างหนึ่งของตัวเองในกระจกรู้ว่านั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของฉันนางซ a เอพาดดันแห่งฮุบซัตเซสได้รับมรณะบตดจากหมอมีลายเซ็นกำกับและเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยขึ้นไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็ลอยไปสู่สิ่งที่เธอเรียกว่าสถานที่อันสวยงามผู้ช่วยคนหนึง่งหรือคนนำทางปรากฏกายขึ้นและพวกเขาก็สื่อสารกันโดยไม่ใช้คำพูดเธอบอกว่าดิฉันอยากไปแต่ดิฉันจะต้องกลับไปหาสามีของตัวเองเขาตอบว่ามันยากแต่ฉันจะช่วยคุณเธอเดินทางกลับมาเริ่มมีสติทีละน้อยตัวเบาวิวและรู้สึกเจ็บปวด ในที่สุดเธอก็เห็นห้องนอนและเห็นศพของตัวเองนางพยาบาลกำลังเขียนหนังสือนางแพตตันตนื่นขึ้นมาในร่างทางกายภาพและพูดกับนางพยาบาลคนนั้นเธอตกใจทำปากกาหลุดมือก่อนจะกรีดร้องออกมาระหว่างเวลาที่เธอตายเธอสังเกตเห็นบางอย่างในบ้านที่เธอไม่เคยเดินจากเตียงที่นอนอยู่หลังจากที่กลับเข่าร่างและรู้สึกตัวอีกครั้ง เธอบรรยายถึงสิ่งที่ได้พบเห็นคำบรรยายนั้นถูกต้องแม่นยำในปี1968ผู้เขียนได้เขียนเรื่องสั้นชุดหนึ่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้และยังมีบทความอื่นๆอีกที่คล้ายกันจดหมายอีกปึกที่ทำให้ผู้เขียนได้รับรู้เรื่องคล้ายคลึคลงกันแบบนี้มีอีกมากมายนางแพตเชอรี่วัย56บรรยายว่า เธอเคยเข้ารับการผ่าตัดตรงหน้าท้องในน o r t ท h a m เบอร์ตันเจเนอเรชันฮอิมีความรู้สึกปั่นป่วนปแปลกๆต่อมาฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยขึ้นเหนือเตียงก้มลงดูล่างของฉันที่นอนอยู่ตรงนั้นหน้าฉันซีดรู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยห่างไปเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นสามครั้งในครั้งสุดท้ายเธอเห็นนางพยาบาลนำหมอคนหนึ่งมาฉีดยาตรงแขนเธอ เธอลอยกลับเข้ามาในล่างและหมดสติไปทางด้านนางแพตติเชียอาริสแห่งโคเวนทรีบอกว่าเธอเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลควีนอลิซาเบธที่เบอร์มิงแฮมเพื่อเฉือนเนื้อ ง, งอกออกจากท้องเธอกิจนี้ใช้เวลาราวหกชั่วโมงเธอบัรยายว่าทัานใดนั้นฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยขึ้นไปเหนือโต๊ะผ่าตัด มองลงมาเห็นทีมแพทย์กำลังทำงานบนล่างของฉันความเจ็บปวดที่รู้สึกก่อนผ่าตัดตอนนี้ไม่มีแล้วฉันรู้สึกสงบเธอได้เห็นแม่ของเธอขึ้นตัดขาทิ้งไปก่อนจะเสียชีวิตเธออยู่ในสภาพของหญิงสาวขาทั้งสองข้างครบและเอ่ยออกมาว่ายังไม่ถึงเวลาและเธอก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงพยาบาลในวันรุ่งขึ้น นางพยาบาลยืนยันว่าใช่ค่ะคุณเสียชีวิตไประหว่างผ่าตัดและเราก็มีหน้าที่ที่จะพาคุณกลับมาเรื่องราวที่คล้ายกันนี้มันเกิดขึ้นกับพวกเขาจริงๆหรือมันเป็นแค่ฝันไปประสบการณ์ปรแปลกๆของการจากไปและกลับมาสู่ร่างเป็นที่รู้จักกันในานามเ s t r a l p r o า e c t i o n หรือประสบการณ์ออกนอกร่าง มีหลักฐานพอที่จะพิจารณาได้และแสดงให้เห็นว่าคนที่อ้างว่าตนมีประสบการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆและสถานที่เกิดเหตุห่างกาันนับพันพันไมล์น่าจะเป็นที่รับรองได้การสำรวจตัวอย่างให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าที่เราคิดผู้ที่ไปโบสถ์ชาวอังกฤษ200คนในปลายทศวรรษที่50มีไม่น้อยกว่า 90-45% ยอมรับว่า พวกเขาเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งเราอาจลงความเห็นโดยพิจารณาตามหลักทั่วไปเพื่อนำไปสู่เรื่องเฉพาะนี้ได้ว่าถ้าเราสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปขณะที่สติสัมปชัญญะจะหลุดลอยไปนอกร่างกายทั้งๆ ท, ที่ระบบร่างกายยังทํางานอยู่ทําไมเรายังไม่ตายบรรดาเสียงที่เล่าประสบการณ์ของบูดและเบตตี้กรีนอ้างว่าเคยอยู่ในโลกนี้ เคยตายและเจอตัวเองในอีกโลกหนึ่งคำบรรยายของพวกเขาถึงวิธีการไปสู่ที่แห่งนั้นและสิ่งที่พวกเขาพบตรงกันหรือไม่ลองตั้งคำถามดูสมมุติว่ามีอีกโลกหนึ่งที่ผู้คนอาศัยอยู่และตายไปก่อนที่พวกเขาจะมาสู่โลกใบนี้สมมุติว่าพวกเขาหกคนแปลสภาพมาอยู่บนโลกของเราและส่งรายงานกลับไปสู่โลกที่พวกเขาได้จากมา สิ่งที่พวกเขาค้นพบที่นี่พวกเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราถ้าพวกเขามาสู่อังกฤษและตั้งหลักฐานกับญาติญาติที่นี่ความเห็นของพวกเขาคงจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความเห็นของชีวิตในไฮแลนด์แห่งสกอตแลนด์และไอซ์แลนด์ของลอนดอนอาจน่าตกใจและเป็นข้อขัดแย้งที่เข้ากันไม่ได้ตั้งแต่แรกสมมติว่า พวกเขาตั้งหลักฐานในสถานที่ต่างๆที่ไกลออกไปอย่างเพรสตันปักกิ่งคาลแครีและเกากัตาโตอนโตและทิมบักทูล่ะจะมีใครมาตรวจสอบรายงานและเชื่อได้ว่าพวกเขาได้ไปยังโลกไปเดียวกันหรือมีโลกนั้นอยู่จริงเสียงต่างๆได้บอกเราว่ามีชั้นบรรยากาศมากมายในโลกหน้าและทุกคนไปยังสถานที่แห่งนั้น ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะยังอยู่ในชั้นเดิมด้วยความนิยมตัวเองอยู่ด้วยบุคลิกลักษณะวิถีชีวิตอย่างที่เคยเป็นอยู่บนโลกถ้าเราสามารถค้นพบความต้องการภายในบางอย่างให้ในรายงานของพวกเขาเราสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่เสียงเหล่านั้นรายงานแก่บูธและเบ็ตตี้กรีนเข้ากับความเห็นของชีวิตที่ถูกอ้างหลังความตาย ซึ่งได้มีการรับรู้ผ่านคนอื่นๆด้วยวิธีการสื่อสารได้หรือไม่วิธีที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดซึ่งให้แนวคิดอันเป็นที่นิยมของเหล่าคนทรงและบ่อยครั้งก็ยังเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ซึ่งไม่เชื่อกันนั่งทรงเชิญวิญญาณวิธีนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันโดยใช้คำว่าการเขียนโดยเป็นไปเอง หนึ่งในบรรดานักเขียนชาวอังกฤษที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากคือนางสาวเกรซรรเชอร์ตอนผมไปเยี่ยมเธอที่ชั้นล่างของแฟลตในเคนซิงตันเธอยือนกล่านว่าเธอไม่ใช่คนทรงและไม่เคยคิดจะไปร่วมนั่งทรงเลยเธอเป็นคิตศาชนิกชนที่ไปโบสถ์ตามปกติจนวันหนึ่งในปลายทศวรรษที่ห้าสิบเธอกำลังนั่งเขียนจดหมายถึงเพื่อนปากกาอยู่ในมือ กลายจดอยู่กับแผ่นกระดาษจูๆ่ๆเธอก็ได้รับสารสั่งจิตบอกว่าวางมือลงตรงนั้นและดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นปากกาคนเริ่มเขียนไปเองว่าด้วยรักจากกอร์ดอนใครกำลังทำเรื่องนี้เธอคิดปากกาก็เขียนตอบว่าผมเองกอร์ดอนเบอร์ดิตสี่วันต่อมา เมื่อเธอรวบรวมความกล้าพอที่จะถือปากกาในแบบเดิมอีกปอกความถูกเขียนขึ้นไปได้เกือบครึ่งชั่วโมงหลายมือที่เขียนคล้ายลายมือของกอร์ดอนเบอร์ดิเมื่อ15เดือนก่อนเขาเตรียมจะไปแวนคูเวอร์แคนาดาเพื่อแต่งงานกับเธอเขาเสียชีวิตในคืนก่อนที่จะลงเรือเดินทางเธอหันไปขอความช่วยเหลือจากสมาคมศาสนาด้วยการส่งตัวอย่างลายมือพร้อมจดหมายที่เขียนโดยเบอร์ดิก ตอนที่มีชีวิตอยู่ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือคือนายเอฟทีฮิลลิงเจอร์แห่งวอลกิ้งสเตเรนายฮิลลิงเจอร์รายงานว่าเอกสารทั้งสองชุดเขียนโดยบุคคลเดียวกันในปี1961เธอเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งมีบทหนึ่งเขียนถึงความเห็นของบรอดิทที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาตายลงหนังสือชื่อ Beyond the Horizon ทีพิมพ์โดยเจมคลาร์สความเห็นของเขาเปรียบเทียบกับความเห็นของเสียงต่างๆได้อย่างไรผมไปนอนเขาเขียนแล้วก็เจอตัวเองอยู่ในสวนสวยงามผมเดินไปรอบๆแล้วเห็นแม่ของผมกำลังเดินตรงมาเธอบอกว่าแม่มารับให้ลูกไปบ้านเขาเข้าไปในบ้านแม่และได้เจอกับพี่ชายและพี่สาวของตัวเองซึ่งเสียชีวิตไปก่อนแล้วเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น คิดว่าตัวเองกำลังฝันไปพวกนั้นบอกเขาว่าเขาได้ตายไปแล้วเขาถูกพาไปโรงพยาบาลและได้รับการบอกว่าให้นอนพักก่อนจะได้รับอนุญาตให้กลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาเองที่บ้านเราพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตใหม่ของเขาเมื่อเราตายเราสร้างสวรรค์หรือนรกของเราเองซึ่งเป็นสภาวะต่างๆของสติสํานึก สภาพแบบเดียวกับที่เราเคยใช้ชีวิตตอนอยู่บนโลกบ้านและสวนเหมือนกับที่เราเคยมีบนโลกเสื้อผ้าเองก็เช่นเดียวกันมีเมืองใหญ่ๆพร้อมวิทยาลัยแกลเลอรี่งานศิลป์และคอนเสิร์ทฮอลล์ดอกไม้สวยงามไม่มีเงินเราสามารถรับประทานสิ่งต่างๆที่ต้องการก็ได้แต่อาหารก็ไม่จําเป็นอีกต่อไป เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปตามใจปรารถนาเราสามารถเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ต้องการมีสัตว์ต่างๆมากมายและนกท่าทางและความรู้สึกของเราเหมือนกับที่เคยเป็นอยู่ตอนอยู่บนโลกผู้คนมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันนั่นคือความรักจากนั้นเราจะได้ก้าวไปข้างหน้า ไปสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นทุกอย่างฟังดูคุ้นๆเราสามารถเพิ่มเติมหรือเปรียบเทียบกับทุกความเห็นทั่วโลกซึ่งอ้างว่าบรรยายชีวิตหลังความตายได้ไหมมีบุคคลเดียวที่พยายามตรวจสอบอย่างเข่งครัดคนนั้นก็คือโรเบิร์ตพุกออเขาใช้เวลาถึง4ปีในการเก็บรวบรวมทุกการสื่อสารที่เขา สามารถนำมาพิจารณาจากผู้คนที่อ้างว่าตายไปแล้วและพันานาถึงสิ่งที่พวกเขาประสบมาหลังจากช่วงเวลาแห่งความตายเขาวิเคราะห์ผลต่างๆลงในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี1961 The Supreme Adventure ตีพิมพ์โดยเจมส์คลาร์เขาให้เหตุผลว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนซึ่งอ้างว่าได้รับสารต่างๆจะสมรู้ร่วมคิดกัน แม้คนทรงทั้งหลายจะร่วมกันแหกตาก็เป็นไปไม่ได้ที่สารสําคัญของพวกเขาจะรวมกันจนกลายเป็นการลวงโลกทั้งโลกถ้าทุกสารสําคัญสื่อสารกันได้โดยโทรจิตจากใจของผู้นั่งทรงคนทุกคนก็มีความคิดจินตนาการเกี่ยวกับการแปรย้ายจากความตายไปสู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกันบันทึกเหล่านี้มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่จากหลายๆเกาะในแปซิฟิกก็คล้ายๆยุโรปอเมริกาความคิดเห็นต้องกันตรงกันพร้อมกับข้อมูลจากเสียงต่างๆที่มาพบปะกับบูดและเบตตี้กรีนทำไมเรื่องเล่าทุกอย่างถึงคล้ายคลึงกันคำตอบที่เป็นไปได้ก็คือว่าทุกความเห็นนั้นมาจากแหล่งที่คล้ายกันมาจากบรรยากาศในอีกโลกที่เราจะได้ไปอยู่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ถานี่คือความเป็นจริงจะเป็นไปได้ไหมว่าการเข้าทรงของฟลินต์สู่บูรกับเวตตี้กรีนซึ่งให้รายละเอียดมากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคือประสบการณ์ที่เราทุกคนจะได้รับรู้ร่วมกันเมื่อชีวิตของพวกเราทุกคนได้มาสู่จุดจบอันหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป